พระบัญญัติ779ก็ภิกษุณีใดให้เอาบริการที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึง่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึง่งที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ